มีมาด้วยกันทั้งหมดเล ย, ยรนนะหรือพ้องกันนะหรือเปล่าคนละคณะมาจากที่ไหนกรุงเทพเลยเคยมาหรือเปล่าครั้งหนึ่งคนระับครั้ง น, ะงนึงนะมาแล้วคิดว่าจะมามาทำไมหรือมาได้อะไรที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้มีแต่ศาลาเก่าๆทั้งนะั ศาสนาพุทธเดิมทีมันไม่มีอะไรสวยงามทางทางด้านวัตถุไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์สมัยพระพุทธเจ้าบำเพ็ญปฏิบัตินี่มีแต่ป่าไม่มีไม่มีศาลาไม่มีโบสถ์สวยๆไม่มีกุฏิสวยๆอยู่ พระสมัยก่อนอยู่แบบฤๅษีฉี่ภัยเพราะว่าคนก็ไม่รู้จักว่าพระเหล่านี้ทำอะไรกันอะไรไม่ค่อยมีศรัทธาคนจะมีศรัทธาก็หลังจากที่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเอาธรรมะที่ทรงสอนทรงตรัสรู้เนี่ย มาสั่งมาสอนอมาเผยแผ่ทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับตนเองได้เรียนรู้และได้นำเอาไปปฏิบัติได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติคือทำให้จิตใจเขามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเลยทำให้เขาเกิดศรัทธา ที่จะทํำนุบํารุงพระพุทธศาสนาก็ลเลยมีการสร้างวัดสร้างอะไรถวายให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเองนะวัดนี้เป็นเรื่องของศรัทธาของผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของของพระพุทธเจ้าและระและของภาษาของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้มากกว่าฤาษีชีภัยต่างๆฤาษีชีภัยต่างๆเขาไม่ค่อยจะมีความรู้สั่งสอนเขารู้เพียงแต่การทำใจให้สงบนั่งสมาธิเข้าฌานเะท่านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อย่างผู้คารวาดผู้คองเรือนี้ก็ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แต่พระพุทธเจ้านี้นอกจากรู้จักวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วยังรู้จักเรื่องของจิตใจว่าเป็นอย่างไรจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างไรมีสุขขึ้นได้อย่างไรทุกข์ขึ้นได้อย่างไร ทรงสอเนเรื่องกฎแห่งกรรมอสอเนเรื่องว่าการกระทาของพวกเรานี่แหละที่เป็นตัวที่ทําให้พวกเราสุขหรือทุกข์กันะจะเจริญหรือเสื่อมกันซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันแต่เราไม่รู้กัน <c oughs> คำสอนเหล่านี้เป็นคาสอนที่กวที่ละเอียดที่ ที่คนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจสามารถนำาอาไปใช้ในการปฏิบัติได้เลยถึงแม้จะไม่ได้ถึงขั้นสูงสุดแต่ก็เป็นขั้นที่เหมาะสมกับผู้ครองเรือนสอนให้ทาบุญสอนให้รักษาศีลยังไม่ได้สอนให้ถึงขั้นของนักบวชนักบวชนี่ต้อง ไปอยู่ป่าอยู่เขาไปฝึกสติไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้เป็นระดับของผู้ที่มีสติปัญญาสูงซึ่งผู้คองเรือนทั่วไปยังมีไม่ได้ยังมีไม่ถึงยังมีไม่มากพอพระอาจาก็าสอนพวกผู้ครองเรือนให้รู้จักการทาบุญ ใหรู้ว่าการทำบุญนี้ไม่สูญเปล่าการทำบุญนี้เป็นการเปลี่ยนเงินเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราไปญี่ปุ่นนี่เราต้องเปลี่ยนเงินของประเทศญี่ปุ่นเเพราะถ้าเอาเงินบาทไปใช้ที่ญี่ปุ่นไม่มีใครเข้าทันใดเงินที่เราใช้ในโลกนี้ ก็เราไม่สามารถเอาไปใช้ในโลกที่เราจะไปหลังจากที่ร่างกายเราตายแล้วได้ร่างกายเราตายนี้เราเอาเงินไปไม่ได้เงินที่เรามีอยู่นี้เงินบาทเงนินเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมันเป็นวัตถุมันเป็นธาตุมันไม่ใช่เป็นเงินทิพป ที่เราจะไปกันหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรียกว่าโลกทิพย์ใจเรา่เป็นกายทิพย์ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอพอร่างกายตายไปใจก็ต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ในโลกทิพย์เขาใช้เงินทิพย์กันนั้นก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องเปลี่ยนเงินที่เราใช้ในโลกนี้ให้เป็นเงินทิพย์ก่อน เงินทิปก็คือบุญที่เราทํากันเนี่ยคือเงินทิปเวลาเราทําบุญเราจึงไม่ได้สูญเสียเงินทองไปเหมือนกับเราเอาเงินบาทไปแลกเงินดอลหรืแลกเงินเยนเวลาเราจะไปประเทศอเมริกาเราก็ต้องมีเงินดอลลาร์ไปจะไปยุโรปก็ต้องมีเงินยูโรไปจะไปญี่ปุ่นก็ต้องมีเงินเยนไปจะไปเมืองจีน ก็ต้องมีเงินของจีนไปเงิน <Yeah. S 1> เอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อขนมไปจ่ายค่าโรงแรมนั่นเขาไม่รับ <Yeah. S 1> ก็เงินนี้เขาใช้ไม่ได้ก <Yeah. S 1> ันใดเวลาเราตายไปร่างกายตายไปใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <Yeah. S 1> เราต้องเอาเงินทิปติดตัวไปการที่จะได้เงินทิปก็คือ การทำบุญนี่ยเวลาเราเอาเงินทองข้าวของที่เรามีไปบริจาคให้กับผู้อื่นอันนี้เป็นการเปลี่ยนเงินเงินบาทเงินที่เราใช้ในโลกนี้ไปเป็นเงินทิพเงินทิบุญนี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นเป็นเงินทิบเวลาเราทำทานเนี่ยเรากำลังแลกเปลี่ยนเงินตราเราไม่ได้สูญเสียเงินทองไปไหน และพอเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็ใช้เงินทิพนี้ซื้ออาหารซื้ออะไรเพราะในโลกทิพก็เหมือนในโลกที่เราอยู่นี่ต้องมีที่อยู่อาศัยมีห้องอมีห้องพักมีโรงแรมมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปเป็นขอทานใช่มเนี่ยเวลาเราทําบุญแล้วเราอุทิศบุญเนี่ยเรากำลังส่งเงินเงินทิพไปให้ขอทาน พวกที่เวลาที่ยังไม่ตายนี้ไม่เชื่อเรื่องบุญหรือไม่รู้เรื่องบุญก็เลยไม่เคยทำบุญไม่ชอบทำบุญเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าเรื่องอะไรเอาเงินไปทำบุญไม่ได้อะไรเพราะเขามองไม่เห็นบุญก็เห็นว่าเวลาเอาเงินไปทำบุญนี้เขาก็มีแต่เสียเสียเงินทองเสียข้าวของแต่เขาไม่ได้อะไร เขาก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำบุญกันพอเวลาร่างกายเขาตายไปกายทิพย์เนี่ยก็เลยไม่มีเงินทิพย์ติดตัวไปก็เลยต้องมาวนเวียนอยู่แถววัดนี่แหละมาขอส่วนบุญของผู้ที่ยังไม่ตายเนี่ยเวลาเราทำบุญเนี่ยเรามีเงินทิพย์แล้วเราสามารถแบ่งเงินทิพย์นี้ให้กับผู้ที่อยู่โลกทิพย์ได้ คือดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วที่ไม่มีเงินทิพติดตัวไปคือไม่ได้ทำบุญหรือทำน้อยมากเช่นปีหนึ่งอาจจะทำแค่วันสำคัญสคัญวันเกิดก็ทำบุญหน่อยวันปีใหม่ก็ทำบุญหน่อยวันเข้าพรรษาวันวิมาคะวันวิสาขะก็ทาหน่อยก็ทำได้เท่านั้นซึ่งมันไม่พอมันน้อยมาก ก็เลยเวลาไปแล้วไปไม่นานเงินที่บุญทิพย์เงินทิพย์ที่เอาติดตัวไปก็หมดพอบวชทีนี้ก็ต้องมามาขอเป็นขอทางเพราะหิวไม่มีเงินทิพย์ก็ไม่มีเงินซื้ออาหารไม่มีซื้อที่อยู่อาศัยซื้อเสื้อผ้าซื้ อ, อยารักษาโรค ก็เลยต้องมาเข้าฝันพวกเราบางทีนอนหลับฝันถึงคนตายเนี่ยบางทีมันเป็นได้สองอย่างเวล า, านอนหลับแล้วฝันถึงคนตายเราอาจจะคิดถึงเขาแล้วก็ฝันไปใจเรายัางไม่ได้หยุดคิดตอนที่เรานอนหลับนี้ร่างกายนอนเฉยๆแต่ใจเราอาจจะคิดถึงใครก็เลยคิดถึงเขาไปคิดแล้วก็เลยคิดว่าเขามาหาเราคนตาย หรือว่าอีกทางหนึ่งก็เขามาจริงๆเขามาหาเราเขามาบอกว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเพั้นเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันถึงคนตายเราก็คิดเผื่อไว้ว่าเขาอาจจะมาขอเงินทิปจากเราขอบุญจากเราเราก็เลยไปตอนเช้าก็ ใส่บาทก็ได้ถ้าเรามีพระผ่านมาทางบ้านเราก็ใส่บาทหรือไปวัดไปถวายข้าวของสร้างกุฏิโดยจากเงินสร้างโบสถ์ทำอะไรที่เราเสียสละเงินทองของเราเนี่ยไปให้แก่ผู้อื่นเราก็จะเกิดเราก็จะได้เงินทิพย์กลับมาแล้วเราก็สามารถอุทิศเงินทิพย์นี่คือบุญนี้ให้กับผู้ที่ตายไปแล้วได้ เวลาเราทำบุญเสร็จเราไม่ต้องรอให้พระสวดให้เราเพราะการสวดของพระไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินทิปของเราพระไม่ได้ทาไม่ได้เป็นผู้ปลุกเสกเงินทิปให้เกิดขึ้นเงินทิปเกิดจากการเสียสละข้าวของเงินทองของเราแล้วให้ใครก็ได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องให้พระอย่างเดียวเราไปปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้เราก็ได้เงินทิปมา เราไปถ่ายวัวถ่ายควายถ่ายชีวิตวัวควายหรือไปเอาเงินบริจาคให้โรงพยาบาลให้สภากาชาดไทยให้โรงเรียนให้ใครก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้ผู้การเสียสละการแบ่งปันนี่แหละเป็นวิธีสร้างเงินทิปขึ้นมาสร้างบุญขึ้นมา เมื่อเราสร้างแล้วเราก็สามารถที่จะอุทิศส่วนหนึ่งไปให้เขาได้ให้หมดไม่ได้เพราะว่ามันมันเหมือนกับส่งของไปทางไปรษณีย์ของมันใหญ่เขาให้ถ่ายรูปตัวอย่างส่งไปให้ดูอันนี้ก็เหมือนกันก็เงินเงินทิปนี้เราก็แบ่งไปให้เขาได้แต่ให้เขาหมดไม่ได้แต่ก็พอให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากลำบากไปได้ หน่อยอาจจะต้องทำทุกวันถ้าอยากจะให้เขาสบายทุกวันก็ใส่บา ท, ทุกวันอย่างชาวบ้านสมัยก่อนเขาจะมีวัดอยู่กับบ้านทุกวันจะมีพระมาบิณฑบาตเวลาที่คนมีคนในบ้านเขาตายเขาก็ใสายบาแล้วเขาก็อุทิศได้อุทิศทุกวันทุกวันผที่ไม่มีบุญก็รอก็อาศาัยบุญนี้ไปอยู่ไปพอ ประทังชีพแบบขอทานไปได้จนกว่าจะได้ร่างกายใหม่ได้เกิดใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็ไม่ต้องอาศัยเงินทิพย์แล้วพอกลับมาเกิดในโลกนะพอออกมาจากท้องแม่แม่ก็เลี้ยงลแม่มีอาหารเลี้ยงให้ก็ไม่ต้องอาศัยเงินทิพย์ไม่ต้องอาศัยบุญพอมาเกิดแล้วทีก็หากินเองได้ตอนต้นก็อาศัยพ่อแม่ เลี้ยงก่อนพอโตแล้วก็มาทำมาหากินหาเงินทองอยากได้อะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรก็สามารถทำได้แต่ถ้าไม่มีใครสอนใครบอกเรื่องทาบุญก็ จ, จะไม่ได้ทำบุญเพราะไม่รู้ว่าการทำบุญนี้มีผลอย่างไรก็อาจจะคิดว่าอย่างมากก็ทำให้เราสบายใจ เวลาเราทำบุญแล้วเราก็รู้สึกสบายใจก็คิดว่าเท่านั้นเองก็บางทีมันถ้ามันรู้ถ้าไม่มีความไม่สบายใจก็เลยไม่ทำบุญไงเวลาไม่สบายใจก็ไปทำบุญสักหน่อยจะได้สบายใจถ้าทำอย่างนี้มันก็ทำน้อยแต่ถ้าเรารู้ว่ามันการทำบุญนี้เป็นการ เ, าเตรียมเงินทองไว้สำหรับใช้ในโลกทิพย์เวลาที่เราทิ้งร่างกายนี้ไปแล้ว เราก็จะขยันทำบุญเพราะเหมือนเรารู้ว่าถ้าเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยต่อไปเราเกิดเมืองไทยมีสงครามอยู่เมืองไทยไม่ได้เนี่ยต้องอพยพไปอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราก็รูว่าเราจะต้องไปญี่ปุ่นแน่ๆเราก็ต้องรีบเตรียมเงินญี่ปุ่นไว้ละแล่อาจจะเก็บเงินบาทไว้ใช่ไหมเดี๋ยวถึงเวลาที่จะต้องออกถูกเขาขับไล่ออกนอกประเทศนี้ ถ้าไม่มีเงินเย็นติดตัวไปก็ไม่มีเงินใช้เงินบาทก็เขาอาจจะลิบไม่ให้เราเอาออกไปอันนี้เราก็เลยถ้าเรารู้ว่า บ, บุญนี้เป็นเงินทองที่เราสามารถใช้ได้เอาไปใช้ได้ตอนที่เราตายไปแล้วมันก็จะทําให้เรามีความความยินดีที่จะทําบุญเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลย เราได้เราเปลี่ยนกน็เอาเงินไปเปลี่ยนนันเองเอาเงินเอาเงินบาทไปเปลี่ยนเป็นเงินเยนเป็นเงินดอลพอเราถึงเวลาออเอาเงินทางขึ้นเครื่องบินเราก็เอาเงินเยนเงินดอลติดตัวไปอันนี้ก็เหมือนกันพอเวลาเราตายไปถ้าเราทำบุญเราก็มีบุญติดตัวไปพวกที่ติดตัวไปเขาเรียกว่าพวกเทวดาเนี่ยพวกนี้แหละเป็นพวกที่เป็นกายทิพย์ที่มีแต่ความสุข เพราะว่ามีสิ่งทุกอย่างเอื้ออำนวยให้แก่กายที่หิวก็มีอาหารกินต้องการที่หลับนอนก็มีที่หลับนอนต้องการเสื้อผ้าสวมใส่ก็มีเสื้อผ้าสวมใส่ต้องการยารักษาก็มียารักษาพวกที่ทำบุญจึงเป็นเทวดาและก็มีชั้นต่างๆเพราะว่าทำมากน้อยไม่เท่ากัน เหมือนเราไปต่างประเทศเรามีเงินมากเงินน้อยเราก็เลือกโรงแรมอยู่ได้ใช่ไหมต้องมีเงินมากก็อยู่ห้าดาวเลยมีน้อยหน่อยก็สี่ดาวสามดาวแล้วแต่กําลังเงินที่เรามีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราตายเราไปอยู่ในโลกทิปนี้เราก็ไปอยู่โรงแรมชั้นดาวต่างๆมีบุญมากก็ได้อยู่ดาวมากโรงแรมที่มีดาวมาก สวรรค์จึงมีห ล, ห, ลหลายหลายชั้นด้วยกันความสุขไม่เท่ากันสวรรค์ชั้นสูงจะมีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นต่ำสวรรค์ชั้นต่ำเพราะว่าทำบุญน้อยกว่าสวรรค์ชั้นสูงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้มาก่อนคนในสมัยพุทธกาลก็ไม่รู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมมาสั่งสอน พอทรงสแสดงธรรมสั่งสอนแล้วเขาก็เชื่อศรัทธาเขาก็ดีใจว่าเขาเขารู้อนาคตของเขาว่าเขาจะไปสบายเขาจะไปดีเงินทองที่เขาเสียสละในวันนี้ไม่ได้ศูญเปล่าเป็นการแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองแลกเปลี่ยนเงินตาอีกสกุลหนึ่งจากสกุลที่เราใช้ในโลกนี้ไปสู่สกุลที่เราจะใช้ในโลกถิ่น นั่นเลยเกิดศรัทธาสร้างวัดสร้างอะไรถวายให้พระองค์พระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินก็สร้างสร้างถวายทั้งวัดมาเศรษฐีก็สร้างถวายทั้งวัดเนีย่ยนวัดนี้สมัยก่อนนี้พระไม่ต้องสร้างพระไม่มีหน้าที่สร้างพระสมัยก่อนมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้ามัวมาสร้างวัดมันก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติก็จะไม่หลุดพ้นจะไม่มีดวงตาเห็นธรรมจะไม่มีธรรมะมาสั่งสอนญาติโยมแต่สมัยก่อนนี้พระที่บรรลุเป็นพระนั้นนี่มีมากมากกว่าพระธรรมดายุคแักๆนี้มีแต่พระอารหันต์ทั้งนั้นนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งหนึ่งก็มีคนบรรลุเป็นพระานั้นทีละห้าร้อยลูก กิน ด, ดูหลังจากที่พระเจ้าแสดงทำครั้งแรกจนถึงเดือนเดือนเดือนสามนี้ประมาณเจ็ดเดือนมีพระอาหารหันต์อย่างน้อย 1,250 สองรรูปปรากฏขึ้นมามาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากที่ทิศต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนพระเหล่านี้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็บรรลุ พอบรรลุพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้กระจายไปทิศ ต, ต่างๆอย่าไปด้วยกันให้ไปทิศละองไปฝ่ายแห่งแหลงละองเพื่อจะได้เอาคาสอนนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้ได้ไปอย่างกว้างขวางถ้าไปหลายๆคนมันก็จะกระจุกอยู่เป็นจุดก็เลยให้กระจายกันไปพอไปสอนคน อ, นคนอื่นคนอื่นมีสัทธาเชื่อนำไปปฏิบัติก็บรรลุเป็นผ้าหลานกัน เลยพอถึงวันเดือนแผ่นเดือนสามวันมาค้าบูชาเนี้เกิดมีความอยากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายกัน mm hmm. ก็มีมาเฝ้าถึงหนึ่งรห้าูปนะยุคนั้นมีแต่พาาระอรหันต์นั้ น, น, นพระที่บวชพระที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ท่านไม่ทำอะไรเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างเดียวท่านปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกประการยังเรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลคือมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นผลตามม า, ย อ, ยาอย่างง่ายดายและรวดเร็วสมัยนั้นจึงมีแต่พระอานันท์ ปาฏิหาริยนี้ท่านก็ไม่สนใจกับเรื่องวัตถุกุติอะไรท่านอยู่ของท่านได้ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ตามโคนมา้าอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามป่าชา้าท่านชอบอยู่ที่เงียบเงียบที่สงบที่ไม่มีอะไรรบกวนใจที่พอท่านสั่งสอนญาติโยมผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ก็ อยากจะปฏิบัติขั้นที่เขาปฏิบัติได้ก็คือขั้นทําบุญทําทานรักษาศีลเขาก็เลยมีศรัทธาสร้างวัดถวายเพราะเห็นพระลําลบากในสายตาเขาเขเห็นว่าลําบากเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้าก็เลยอยากให้พระอยู่อย่างสุขสบายก็เลยสร้างกุฏิสร้างวัดขึ้นมา วัดสมัยก่อนนี้ไม่ได้เป็นวัดที่พระสร้างกันเป็นวัดที่ญาติอยู่เป็นผู้สร้างเพราะผู้ที่บวชกันเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมกันไปมุ่งไปที่ศีลสมาธิปัญญาและอยู่แบบไหนก็ได้มีวัดก็อยู่ได้ไม่มีวัดก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าสอนผู้ที่บวชใหม่ว่าที่อยู่อาศัยของพวกเธอคือโคนไม้ตามโคนไม้โลกุลกขมูลเสนาสนัง ลุกขมูลก็แปลว่าโขนไมเ้เสนาสนังก็แปลว่าเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพวกเธอคือรุกขมูลอยู่ตามป่าตามเขาที่มีต้นไม้น่มเย็นสงบเอื้อต่อการบรรลุษัพ บ, บรรลุธรรมหรือเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเห็นพระสมัยก่อนเขาเลยไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่ของพระเพราะสามารถ อยู่แบบเรียบง่ายได้ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้ตามเงื่อมผาตามถ้าตามเรือนร้างหรือป่าชา้าเนี่ยอาหารก็บินทบาตเนีบินทบาทามีบาตรตอนเช้าก็เดินเข้าไปในบูบ้างเขาศรัทธาใส่อะไรให้ก็รับไม่ขอไม่ขอไม่บอกว่าต้องการอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยนี้บางวัดมีเขียนเมนูไว้ ว่าอาหารเจนะอาหารเนื้อไม่ได้อันนี้ไม่มีสมัยก่อนเป็นผู้ขอไปไปบอกเขาไม่ได้หรอกว่าจะต้องการอาหารอย่างไรเดี๋ยวทําให้เขาเหม่นใจเขาไม่ขอเขาไม่สายบาตรให้สมัยก่อนท่านเลยไม่ไม่กังวลเรื่องปัจจัยสี่กันเพราะท่านมุ่งต่อธรรมะรุ่นมุ่งต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆถ้ารู้ว่าจะหลุดพ้นได้ต้อง ตัดกิเลสความอยากต่างๆความอยากได้ที่อยู่ดีๆอยากได้อาหารดีๆแล้วประทานอาหารถูกปากถูกคออยากได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าพรที่ที่ดียารักษาโรคที่ดีไม่มีท่านเอาตามมีตามเกิดเสื้อผ้าสมัยก่อนเอาผ้าจากไหนมาทาจีวรรู้ปะเอาผ้าหอ่อศพเนี่ยเขาเรียวกว่าผ้าบางส ก, กุลน เวลาเราไปงานศพเราเขานิมนต์ผ้าไปผ้าเป็นชักผ้าบางสกุล น, นั่นแหละคือผ้าหอ่อศพเพียงแต่สมัยนี้เราไม่หอ่อศพกันนะเพราะว่าเรามีโรงมีอะไรเก็บมียาฉีดแล้วเราเผาสมัยก่อนเขาไม่เอาศพเผาเขาเอาไปทิ้งในป่าช้าให้มันเปื่อยให้มันผุมันเป็นอาหารของสัตว์ของอะไรไปเขาก็เพียงแต่เอาผ้าพันพันไว้ แล้วพอร่างกายผุพังไปผ้าก็ยังอยู่พระก็ที่ทําการมีผ้ามาห่มทําเป็นจีวรก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มาไปชักผ้าเนี่ยชักจริงๆเนี่ยชักจากศพจริงๆผ้าที่หออ่อศพนี่แหละคือการอยู่ของพระสมัยพุทธกาลสมัยยุคแรกๆของการการเผยแผ่พระธรรมคาสอน เราจะย่อยสอนให้ผู้ที่ตําการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการทําลายกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ ต, ต้องไม่ไปต้องไม่จู้จี้จุกจิกให้ยินดีตามมีตามเกิดต้องการอะไรก็ไปหาตามที่มีอยู่ตามที่เขาที่เขาทิ้งไว้ไม่ต้องไปขอห้ามขอด้วยห้ามขอจากคนที่ไม่ใช่เป็นญาติห้ามขอจากคนที่ไม่ได้ปวารณาตัว ถ้าเขาไม่บอกไว้น่วหน้าก่อนว่าถ้าต้องการอะไรบอกเขาได้ก็ขอไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติก็ขอไม่ได้ดังั้นเวลาต้องการผ้าอย่างนี้ก็ต้องเข้าไปมีที่ที่จะไปหาผ้าอยู่สองที่ก็ตามป่าช้ากับตามกองขยะกองขยะบางทีเขาก็มีผ้าเก่าก็ไปเก็บผ้าเก่ากันมา นี่ล่ะคือยแกแรกๆพระอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายแต่ใจของท่านนี่เป็นพาาาระอรหันต์กันทั้งนั้นต่างกับสมัยนี้อยู่กันแบบรู้หลาใช่ไหมมีวัดมีวากุฏิสวยงามอาหารนี่ดีกว่าอาหารของญาติโยม เ, เวลาญาติโยมจะถวายอาหารก็คิดหาอาหารที่ดีที่สุดมาถวายพระ ผ้าก็หาผ้าที่ดีที่สุดมาถวายพระเคยทำอะไรให้กับผ้านี่ต้องให้ดีที่สุดผ้าก็เลยมาติดกับวัตถุแทนที่จะไปติดการปฏิบัติธรรมไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่ได้อยู่ถ้าอยู่ตามบ้านอยู่ตามเมืองนี่มันก็มีแต่กิเลสห้อมลอ้อมสู้ไม่ไหวแพ้กิเลส ถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขากิเลสมันน้อยตัวที่จะปลูกกิเลสให้มันเกิดมันมีน้อยรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาปลูกให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นมันมีน้อยกว่าฉะั้นการสร้างธรรมะเพื่อมาฆ่ากิเลสเลยมันเลยง่ายกว่าสมัยนี้พระกลับเป็นตาลปัดกับสบายทางวัตถุทางปัจจัยสี่แต่ทางจิตใจไม่มีใครบรรลุหลุดพ้นกันเลยสักรูปเดียว ากากสมัยพุทธกาลนี้ลำบากทางวัตถุทางปัจจัยสี่แต่ใจนี้หลุดพ้นเป็นพระอาหารกันเป็นจำนวนมากอันนี้ก็คือเรื่องของาศาสนาในยุคแรกๆท่านมุ่งไปสู่การหลุดพ้นสู่การปฏิบัติสู่การอยู่แบบเรียบง่ายอยู่กันตามป่าตามเขาจะไม่มีพระในในบ้านในเมือง นี่สมัยก่อนนี้วัดสมัยก่อนเขาจะสร้างห่างจากบ้านจะไม่อยู่ใกล้ใกล้บ้านแต่ต่อมาบ้านเมืองจเจริญอย่างกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยวัดต่างๆที่อยู่ชานเมืองก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ต่อมาพอเมืองเองจเริญเติบโตขึ้นก็ขยายออกไปอย่างนี้คุมวัดต่างๆในในในรอบกรุงเทพคข้ไปเป็นวัดในบ้านในเมืองไปหมดละ ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นพระที่ทาการหลุดพ้นก็ต้องหนีไปสร้างวัดใหม่กันจยงปรากฏมีา ป, ปาวัดป่าขึ้นมาพระเหล่านี้ต้องการที่จะหลุดพ้นต้องการที่จะทําลายกิเลสตัณหาก็เลยต้องไปหาที่ไกลๆจากบ้านจากเมืองไปอยู่ตามป่าตามเขาแล้วก็เกิดเป็นวัดป่าวัดเขาขึ้นมากัน เ่ถ้าไปหาวัดป่าวัดเขาพันพระก็ม่าจะเจอพระที่หลุดพ้นกันทำไมเรารู้ว่าพระเหล่านี้หลุดพ้นเพราะเวลาที่ท่านตายไปกระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุไปอาจารย์ต่างๆที่เรารู้จักมีชื่อเสียงอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงปู่ฟัน่หนหลวงปู่ขาวหลวงปู่แวนตายไปนี่กระดูกท่านกลายเป็นพระธาตุอยู่ เราจึงรู้ว่าผ้าอาหารหันยังมีอยู่ในโลกและมักจะเป็นผ้าป่ากันส่วนผ้าในบ้านในเมืองนี้ตายไปกระดูกไม่เป็นพระธาตุแม้แต่วงเดียวต่อให้มียศเป็นสังฆราช<ม>ก็ยังไม่ได้เป็นผ้าอาหารหันย์กันเพราะสังฆราชส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าศึกษาพระเรียนแต่ไม่ได้เป็นผ้าปฏิบัติมีแต่เรียนได้ป ร, ริญญาเก้ากันพอได้ป ร, ริญญาเก้าเขาพระเจ้าแผ่นดิษก็ตั้ง ตำแหน่งให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนแล้วจากนั้นก็ไต่เต้าขึ้นไปจากชั้นสามัญเป็นชั้นลาดเป็นชั้นเทพเป็นชั้นพรหมเป็นชั้นสมเด็จแล้วก็เป็นสังฆราชขึ้นมาการเป็นสังฆราชไม่ได้วัดจากการปฏิบัติธรรมวัดจากการที่ได้เรียนจบแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้กับศาสนาด้วยการเป็นครูเป็นอาจารย์ เอาความรู้ที่ได้เรียนนี้มาสั่งสอนแต่เป็นความรู้ที่ยังไม่ได้รับการกัดกรองด้วยการปฏิบัติยังไม่ได้เป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่มีความสันนิษฐานมีความคาดกนนะเนผสมมาด้วยเพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติ จึงเป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษานี้หลุดพ้นได้เพราะผู้สอนเองก็ยังไม่หลุดพ้นเมื่อผู้สอนเองไม่หลุดพ้นจะไปสอนให้คนอื่นหลุดพ้นได้อย่างไรเมื่อเรายังทากับข้าไม่เป็ น, เ, นเราจะสอนให้คนอื่นเขาทำกับข้าวเป็นอย่างไรถึงแม้จะรู้วิธีว่าทากับข้าวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยทำกับข้าวสักจานอย่างนี้ ไม่เคยลงมือเองถึง แ, แต่รู้ว่าทำกับข้าวแบบนี้ต้องมีมีมีผักมีเนื้อมีอะไรต้องหั่นผักต้องทำอะไรแต่ยังไม่เคยทำตัวเองสักทีก็เลยไม่รู้ว่าอาหารที่ที่เราเรียนมานี่เวลาทำจริงๆแล้วมันกินได้หรือเปล่าใช่ไมใหม่มๆลองไปทำดูสิมันใหม่ๆกินแล้วกินไม่ลงอะ่ะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าควรจะใส่อะไรมากใส่รายน้อย ใส่น้ำปลามากไปหน่อยก็เค็มไปใส่น้ำตาลมากไปหน่อยก็หวานไปใส่น้ำมากไปหน่อยมันก็จืดใส่น้ำมันมากไปหน่อยมันก็มันเกินไปไม่ได้รดไม่ได้ชาต้ตองต้องทดลองทําหลายๆรอบก่อนทำแล้วก็ต้องกินเองใช่ไหมแต่อย่าลึพิสูจน์ได้ว่าอาหารที่ทํานี้รสชาติเป็นยังไงนี่แหละคือการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้ว่า รักษาศีลอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรจเจริญปัญญาอย่างไรถึงทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทำให้ใจเรามีความสุขไม่มีความทุกข์อันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติถึงจะรู้จริงเห็นจริงพระเหล่านี้ที่ท่านได้ยศได้ตำแหน่งกันถ้าไม่ได้เพราะท่านได้คุณธรรมอะไรท่านได้เพราะอาศัยท่าน อ, อยู่ไปเรื่อยๆเขาก็ห้าปีเขาก็เลื่อนขั้นให้ไปเหมือนค่าราชการใช่หมค้าราชการทำงานไปห้าปีก็เลื่อนยศกันครั้งหนึ่งจาก1้อยตีก็เป็น100ร้อยโทจากร้อยโทก็เป็นร้อยเอดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความรู้ความสามารถก็ไม่มีมากมายในแตกต่างกับผู้ที่เพิ่งจบมาใหม่อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมนิดหน่อยจ่ขึ้นเป็นนายพันก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมหน่อย จะขึ้นเป็นนายพลก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีกหน่อยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าในบ้านในเมืองถึงแม้จะเป็นมีรถยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามแต่ตายไปกระดูกไม่เป็นพระธาตุเลยแม้แต่ลูกเดียวเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ขัดเกาวจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจยังมีกิเลสพุ่มห่ออยู่เหมือนเหมือนกับตอนที่บวชใหม่ เพราะกิเลสไม่ได้ตายไปในแม่แต่ตัวเดียวเพราะไม่ได้ปฏิบัติเีงแต่รู้จักวิธีปฏิบัติแต่ไม่รู้แต่ไม่ได้ทําให้กิเลสตายไปเพราะไม่ได้ปฏิบัติเวลาตายไปก็ดูก็เลยไม่เป็นพระทาเนี่ยนี้คือความแตกต่างของพระสมัยปัจจุบันกับสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี่ จะมีแต่เป็นพระอารหรันต์อังนั้นเพราะท่านปฏิบัติกันท่านอยู่ตามป่าตามเขากันสมัยนี้ถ้าอยู่ตามป่าตามเขาก็มีมีไปมีพระอารหันต์กันมีพระที่หลุดพ้นกันแต่ที่อยู่ในเมืองนี้ไม่ปรากฏมีแม้แต่รูปเดียวแล้วมีจำนวนมากด้วย พรที่ปฏิบัติจริงๆเดี๋ยวนี้มีน้อยมากหายากเหมือนหาเพชรเนี่ยจะหาเพชรสักเม็ดอย่างนี้ต้องไปขุดไปค้นหากันแต่หาก้อนหินนี่ไม่ต้องหากันมีตาม ท, ท้องถนนเยอะแยะไปหมดพระที่เป็นพระที่ไม่ได้หลุดพ้นนี่มีเต็มไปหมดแต่พระที่หลุดพ้นพระที่เป็นผระอาหารนี่หายาก มักจะไปอยู่ที่ไกลด้วยมักไปอยู่ที่ป่าตามป่าตามเขากันเพราะว่าการปฏิบัติของพระสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยก่อนปฏิบัติเต็มที่สมัยนี้ไม่ปฏิบัติเลยเพียงแต่เรียนอย่างเดียวเรียนนี้เป็นการเป็นเพยงขั้นที่หนึ่งของการบำเพ็ญของการดำเดนิน สู่การหลุดพ้นต้องเรียนกันทุกคนแต่เรียนอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่ทำให้กิเลสตายได้จะตายได้ก็ต้องปฏิบัติแต่ก่อนจะปฏิบัติต้องรู้จากวิธีฆ่ากิเลสก่อนว่าทำยังไงกิเลสถึงจะตายถ้ารู้แล้วไม่ไปปฏิบัติกิเลสก็ไม่ตายรู้แล้วว่าวิธีฆ่ากิเลสก็คือต้องฝืนกิเลส โลภอะไรก็อย่าไปเอามันอยากได้อะไรก็อย่าไปเอามันถ้าถ้าไปเอามันมันก็มันก็ไม่ตายอเช่นคนโลภอยากสูบบุหรี่เราเวลาอยากสูบบุหรี่ไปสูบความอยากสูบบุหรี่มันไม่ตายหรอกมันไม่หายไปแต่ทุกครั้งที่มันอยากสูบบุหรี่เราอยากไปสูบมันเลยผลมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็จะหายไป อันนี้รู้วิธีแต่ไม่ทำเวลาโลกแทนที่จะฝืนมันกลับไม่ทำเวลาอยากได้อะไรก็ทำตามที่มันอยากกันก็เลยพิเลนแล้วไม่ตายพ่อไม่ปฏิบัติพ่อมวยอยู่แต่รับใช้กิเลนกิเลนอยากได้อะไรก็ไปทำตามที่มันสั่ง ก็เลยไม่มีการปฏิบัติไม่มีการฆ่ากิเลสนี่นี่คือยุคของปัจจุบันกับยุคของพุทธกาลนี้ต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือเพราะว่ายุคสมัยพุทธกาลนี้มีแต่ฆ่ากิเลสกิเลสอยากจะกินอาหารดีๆก็ไม่ให้มันกินอยากจะกินมากๆ ก, ก็ให้มันกินเพียงมื้อเดียวอาหารดีไงก็อาหารดีก็ทำให้มันไม่ดี รู้ไหมวิธีทำํำอาหารไม่ดีทํายังไงเอามาคลุกกันเลยเอาหารต่างๆที่มันดีเนี่ยมาคลุกกัน เ, เอาแกงใส่เข้าไปแกงเผ็ดใส่เข้าไปเอาลอดช่างใส่เข้าไปเอาขนมเค้กใส่เข้าไปของดีๆอั้างนั้นน่ะแล้วก็เอาไปปนกันคนมันในบานเนี่คลุกกันให้เป็นเหมือนข้าวหมาเลยข้าวหมามันน่ากินไหมมันดีไหมนะั่นแหละ ถ้าที่เขาต้องการค่ากิเลสเขาเขากินอย่างนั้นอ่ะเชื่อไหมที่พระเจ้าสอนให้ฉันในบาทฉันในบาทจะได้อาหารดีอาหารไม่ดีมาปนมาคุกกันเนี่ยมีมีวัดอย่างอยู่ใกล้อยู่ที่เชียงใหม่อยู่บนภูเพิงยอยู่ใกล้วงังแล้วก็อยู่ใกล้หมู่บ้านกะเหลี่ยงก็เลยมีบินธบาตสองสายสายหนึ่งไปบินอาารไปบินธบาตในวงัง ศึกษานี้ไปบบินทบาลในหมู่บ้านกะเหลี่ยงอาหารของบ้านกะเหลี่ยงเป็นยังไงโยมว่าคงจะพอจะเดาได้อาหารที่คนในวังเขาใส่กันนี่ก็เป็นยังไงเหมือนกันไม่เหมือนกันต่างกับฟ้ากับดินอาหารชาวเขากับอาหารชาววังนี่แต่พอกลับมาถึงวัดนี่เจ้าวัาบอกว่าเอามาเท ร, รวมกันใส่หม้อเอาของสายในวังกับสายกับบ้านกะเหลี่ยงนี่มารวมกันในหม้อ แล้วก็ต้งมันให้มันร้อนอุ่นมันขึ้นมาทำให้มันเป็นอาหารจานเดียวเสร็จแล้วก็มาตักใส่บาตถวายพระชันกันเี่ยอาหารดีอาหารไม่ดีทำให้มันไม่ดีให้หมดนี่วิธีฆ่ากิเลสเพราะขนาดเวลากินกิเลสมันยังมากํากับใจเราเลยยังบอกให้กินอย่างนั้นก่อนกินอย่างนี้ทีหลังปนกันไม่ได้แม้แต่ช้อนบางทียังต้องเปลี่ยนช้อนเลย เนี่ยพวกกิเลสกินแบบกิเลสต้องคอยเปลี่ยนช้อนเปลี่ยนจานอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นอาหารคราวก็ช้อนอย่างหนึ่งจานอย่างหนึ่งพอเป็นอาหารหวานก็ต้องจานอีกจางหนึ่งช้อนอีกอย่างเนึงเนี้ยกินแบบกิเลสเป็นแบบนี้ยถ้ากินแบบข้ากิเลสก็เอามาคุกกันเลยเพราะเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องไม่ใช่เลยจะไม่ไปแยกกันทำไมให้เสียเวลา อ, อาหารที่เราว่าต้องกินก่อนกินหลัง ใส่จานเดียวกันไม่ได้ใช้ช้อนเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวมันไปรวมกันที่ไหนรืเปล่ามันไปแยกกันในท้องในท้องเรามีช่องและมันแยกกว่านี่ช่องช่องนี้ไปอาหารอาหารหวานอาหารคาวมันแยกกันหรือเปล่าในในท้องเรามันไม่มีช่องอะพอมันเข้าไปในท้องเรามันก็ไปมนก็ไปรวมกันอยู่ดียันในเมื่อมันจะไปรวมกันในท้องก็ให้มันรวมกันในในจานไปก่อน มันจะได้ไม่มีกิเลสนี่แหละกินแบบฆ่ากิเลสเขากินแบบนี้ถ้าปฏิบัติเขาฉันในบาตรกันเนี่ยฉันเพื่อฆ่ากิเลสแล้วมันสะดวกสบายด้วยไม่ต้องล้างจานล้างชามล้างช้อนให้ให้ยุ่งยากมีบาตรใบเดียวพอแนละ้วฉันเสร็จปั๊บล้างปั๊บเดียวห้านาทีก็เสร็จละถ้ามีถ้วยมีจานมีช้อนอะไรต่างๆกินเสร็จแล้วบางทีไม่อยากจะล้างชามแล้วเหนื่อย เต็มชานเต็มไปหมดเต็มโต๊ะไปหมดไปสร้างภาระไปสร้างความยุ่งยากให้แก่ใจเราไปไปถ้ากินตามสี่เหล่ก็เลยให้ฉันในบาสแล้วให้ถ้าอยากฉันใ้บาสแล้วยังฉันมากก็ให้ฉันมือเดียวด้วยไม่ให้ฉันมากเกินไปฉันมากเดี๋ยวก็ขี้เกียจเองกพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อน อีหมากมากไม่มีแรงจะลุกไปเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิก็สับปะกอกเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> ก็เลยต้องให้ฉันมือเดียวอีกหนึ่งอันนี้เรียกทุดงขวัการอยู่ของพระสมัยก่อ น, นท่านให้ถือทุดงกันอยู่เพื่อฆ่ากิเลสกินเพื่อฆ่ากิเลสอยู่ก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามคนมานี้มันมีอันตรายรอบด้าน มีภัยรอบด้เดี๋ยวอาจจะมีงูมาเดี๋ยวจะมีมดมามีมแมลงมามันต้องอยู่แบบมีสติถ้าอยู่ในที่มีภยัยมันจะทำให้เราระมัดระวังคามระมัดระวังนี้ก็คือสติสติก็คืออาวุธฆ่ากิเลสนั่นถ้ามีสติแล้วกิเลสจะจะถูกทำลายหมดพอกิเลสผขึ้นมามีสติก็หยุดกันได้ มีคือการอยู่ของพระสมัยก่อนอยู่เพื่อฆ่ากิเลสกินเพื่อฆ่ากิเลสท่านมีหน้าที่อย่างเดียวคือฆ่ากิเลสท่านไม่เลี้ยงกิเลส ไ, ไม่สนับสนุนกิเลสไม่เหมือนสมัยนี้อยู่ก็อยู่เพื่อสนับสนุนกิเลสจุตติต้องพร้อมทุกอย่างเดี๋ยวนี้มีทั้งเครื่องปรับอากาศมีทั้งน้ําก็มีน้ําร้อนน้าอุ่นให้อาบ มีอะไรเหมือนกับคาราวาญาโยงต้นอย่างเพราะคาราวาเป็นคนไปถวา ย, ยนะี่แหละคาราวาคิดว่าพระอยู่สบายพระจะได้ปฏิบัติเก่งปฏิบัติดีแต่ไม่รู้หรอกว่ามันจะทาให้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ออกเพราะมันสบายเกินไปไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสก็ไไเลยไม่มีพระเลยไม่ฆ่ากิเลสไม่ได้สมัยนี้ มีจากกิเลสฆ่าพระกันเห็นกินเลสฆ่าพรนะไหมบวชไปไม่ได้กี่ปีก็เสด็จ ก, กันเลยที่เสด็จ ก, ก็ดูกิเลสฆ่าพระแล้วเพราะกิเลสบอกว่าไปมีแฟนดีกว่าไปมีภรรยาดีกว่าไปมีครอบครัวดีกว่าอยู่เป็นพระแล้วมันเหงาเจอถูกกิเลสฆ่าเนะีย่ยเดีนี้บวชกันก็บวชกันไม่นานบวชกันเดี๋ยวนี้บวชเช้าเสึกเย็นก็เหมีนะ เพราะว่ากิเลสมันมีกำลังมากกว่าของที่มาปลูกกิเลสมันเยอะกว่าสมัยนี้เจ้าของต่างๆนี้มีไว้สำหรับปลูกกิเลสทั้งนั้นเลยลูกเสียงกลิ่นรสนี่เต็มไปหมดเห็นแล้วก็เกิดกิเลสอย่างได้ขึ้นมาคึกไม่มีใครอยากจะบวชแล้วสมัยนี้บวช ด, ด้วยความจำใจบางคนบวชเพราะถือว่าแต่นหน้าที่เป็นธรรมเนียม สมัยก่อนก็บวชสามเดือนบวชทัง้งพรรษาสมัยนี้เดี๋ยวนี้บางทีเจ็ดวันน ะ, ะถ้านานหน่อยก็สิบห้าวันเนี่ยเดี๋ยววันวันที่หนี้ก็จะมีการบวชแต่บวชไม่นานเนะ่ยบวชไม่เกินเดือนเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างยังดีบางแห่งที่เขาให้บวชเช้าสุดเย็นนะบวชงานศพเลยบวชหน้าศพ อันนี้ไม่ใช pr ่เป็นการบวชเพื่อแบบพระพุทธเจ้าบวชบวชแบบพระพุทธเจ้าบวชนี่บวชแบบไม่เสร็จกันบวชเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่บวชเพื่อให้กิเลสมาฆ่าบวชแล้วเสร็จนี่แสดงว่าบวชเพื่อให้กิเลสฆ่าไม่ได้บวชเพื่อฆ่ากิเลสก็เลยกิเลสเลยแต็มหัวใจกันเ้ยหมดฆ่าเลยมีแต่กิเลสเต็มหัวใจกันเลหมด แล้วก็มาทําอะไรที่ทําให้ญาติโยมนิเสียมศรนะัทธาไป็อย่างเง้ยเดี๋ยวนี้มีการวิาพากษ์วิจ า, ารณ์พระกันอย่างกว้างขวางนะสมัยก่อนนี้ไม่กล้าว่าพระเนยเพราะกลัวบาปกันเพราะว่าพระสมัยก่อนท่านเป็นพระจริงเนะีไม่กล้าว่านะแต่สมัยนี้เขารู้ว่าไม่เป็นพระจริงกนะันแล้วเขาเลยกล้าว่ากันเพราะเขารู้ว่าไม่บาปถ้ามันดูนความจริงมันไม่บาป เขาก็เลยวิภากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางพเพราะฉะนี้ระบบของการบวชภานี้มันน้มเหลวเวลาบวชก็ไม่เลือกเฟ้นไม่ไม่ให้เขาสอบเอ็นทานก่อนเหมนมหาวิเทยายยังจะดีกว่าการบวชเลยบวชเข้ามาหาลัยนี่ยากกว่าการบวชเลยการบวชนี้ใครอยากจะบวชไปขอบวชป๊อกก็ได้บวชไง ไม่ถามมาก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนมีประวัติมาอย่างไรหรือเปล่าสามารถที่จะปฏิบัติรักษาศีลได้หรือเปล่าทถามไม่มีการเลือกเฟ้นสมัยก่อนก่อนจะบวชนี้เขาให้อยู่วัดเป็นเดือนให้ซ้อมดูก่อนว่าเป็นเป็นพระได้จริงหรือเปล่าไปเป็นโรคศ์ก่อนไปช่วยเดินบินตบาะช่วยท่าก่อนอยู่แบบพระไปก่อนโดยไม่ต้องบวช ก็อยู่ได้เขาจึงจะให้บวชกันแต่สมัยนี้ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องเลือกเ้นอยากจะบวชก็ดับวันบวชเลยบวชแล้วก็ไม่มีการสอนกันไม่มีการคอยควบคุมดูแลกันคนบวชไม่มีเวลาข้อมูลแต่คอยบวชเลยไม่มีเวลามาคอยสอนคนที่ที่บวชปล่อยให้อยู่ตามภาษีภาษา หรือปล่อยให้พระที่พระเก่าที่ไม่รู้เรื่องสอนก็สอนไปเรื่องที่มันเละเทะไปหมดนะเรียกว่าตอนนี้ศาสนาเราล้มเหลวถ้าเราเนี่ซิกเค้าเสื่อมศรัทธากันแนละ้วเดี๋ยวนี้ญาติโยมกลับไปหาญาติโยมเพื่อไปเรียนสมาธิกันกอไปหาพระพระไม่พระนั่งสมาธิไม่เป็นสอนสมาธิไม่เป็นยันะยนี้มี สำแนักของญาติโยมเป็นคนสอนกันโกเองก้านี่ก็เป็นเป็นคารวะเดีย๋ยวนี้มีคารวะที่ไปเรียนนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเป็นก็มาเปิดสอนกันเพราะไปวัดไม่มีใครสอนให้นั่งสมาธิกันสอนแต่ให้ทําบุญอย่างเดียวให้บรจิจาคเงนินเยอะๆจะได้ไปสวรรค์แต่พอยาติโยมอยากจะนั่งสมาธิไม่มีใครสอนอ เหมือนเรื่องเปนความจริงพู้ให้ฟังเรืรู้สึกว่าจะแก้ยากด้วยเพราะว่ามันบุคคลที่ต้องแก้นี้แตะไม่ได้ใช่ไหแตไม่ได้ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านเป็นพระผู้มีเกียรติมียศแตะไม่ได้ก็ต้องมาแก้ที่ตัวเรากันเมื่อเราพึ่งศาสนาไม่ได้พึ่งพระไม่ได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนที่พึ่ง มาเพิ่มคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกกันหรือไปเพิ่มพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอยากจะมาเพิ่มพะทั่วไปนี้เพ่งไม่ได้เพราะท่านสอนเราไม่ได้สอนให้เราทําใจให้สงบสอนให้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เพราะท่านยังทําไม่ได้แล้วท่านจะมาสอนเราได้อย่างไร มันนึกก็เล่าเรื่องของพระสมัยก่อนกับสมัยนี้เปรียบเทียบให้ดูให้ฟังแต่ยังไม่เส้นหวังเรายังมีพระทำคําสอนของพระพรธเจ้าอยู่ในพระไตรปดฎกนี้เป็นตัวแทนของพระพทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไทยได้เห็นธรรมจะได้เห็นเราใครได้ศึกษาธรรมก็ได้ศึกษาจากเรา ฉะนนถ้าเราไม่สามารถไปหาธรรมจากพระได้เราก็ไปหาธรรมจากพระไตรปิฎกนะหรือไม่ใช่นั้นก็ไปหาธรรมจากพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบกันแล้วเราก็ยังสามารถปฏิบัติเราก็ยังหลุดพ้นได้ฉนั้นยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่สิ้นหวังเพียงแต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนที่ที่พึ่งใหม่ที่เปลี่ยนหาครูใหม่ครูสมัยปัจจุบันนี้ไม่สามารถสอนเราได้ เราก็ต้องหาครูที่สอนเราได้ถ้าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะหายากนเพราะท่านจะไม่อยู่ตามบ้านตามเมืองท่านจะอยู่ตามป่าตามเขา น, นานๆก็อาจจะมามาโปรดสักครั้งหนึ่งญาติโยมนีมนต์มาสักครั้งนึงเนี่ยเวลามีพระป่ามาในเมืองที่คนจะไปแห่กันไปเยอะไปฟังเทศฟังธรรม ว่า น, านานจะได้ฟังธรรมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าอยากจะฟังบ่อยๆสมัยนี้ก็ใช่หรือเปลี๋ยวนี้เรามีสื่อเข้าถึงมือเราเลยมือถือเรานี่เดี๋ยวนี้มีทางของพระป่าเป็มเลยเดี๋ยวจะฟังธรรมของหลวงปู่รุ่มไหนก็สามารถกดขึ้นมาดูได้ฟังได้เพราะเราต้องขวนขวายเอาเองอย่าให้ราให้ท่านมาป้อนให้เรา เพราะท่านมีจำนวนน้อยเราต้องเป็นผู้ป้อนเราเองด้วยการขวนขวายเอาธรรมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาศึกษามาฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติต้องบังคับตัวเราให้ปฏิบัติเองเพราะจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มีที่อยู่น้อยที่มันจำกัดอยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะคอยไป คอยบังคับเราคอยควบคุมให้เราได้ปฏิบัติแต่ถ้าอยู่กับท่านไม่ได้เราก็ต้องบังคับตัวเราเองควบคุมตัวเราเองเรงยังไม่สิ้นหวังแต่ยากหน่อยยากอยู่ที่ตอนนี้เราต้องช่วยตัวเราเองมากกว่าก่อนเมื่อก่อนอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยเราแต่ตอนนี้ครูบาอาจารย์มีน้อยเราก็ต้องอาศัยช่วยตัวเราเองเราต้องใช้อัตตานิอัโนนาโผตอนเป็นที่พึ่งของตน <c oughs> ดังนั้นก็สรุปตรงที่ตรงนี้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโสดต้องขวนขวายาหาธรรมะคำสอนเองแล้วก็บงังคับตัวเองให้ปฏิบัติถ้าทำได้ก็ยังบรรลุได้ยังหลุดพ้นได้เอาแล้วนะฝนเสียงมันดังพูดเราต้องออกแรงมันเหนื่อยก็จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลวาหาตุลาปริคุเนติสารังเอวเมวะอโตจินังเตปานังอุปกปฏิอิติตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสาเพโคนโตสังกตายันโทตนะละโสยะามะนิโชติ ภราสยาทาสัพพิติโยริวัตานโตสัพพารโตวินาศตุมาเตภวตวันตาลาโยสุขีทิพาโกภวะภิวาธนสีลิจาริจามุทาปจายโนยตารโอธรรมวะทันเต อายุวันสุขังสาธุมีใครอยากจะถามธรรมะถามอะไรไหม <Yeah. S 1> ถามได้นะถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรนะถามได้เดี๋ยวถ้าจะถามเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปกัน ม, มีคนจะถามอยู่ช่วยส่งไมโครโฟนไปหนะ่อย จะได้ยินคำถามเนี่พูดอย่างเราพูดเนี่ยถืออยู่ใกล้ๆปากพูดใกล้ๆปากหน่อยกาสธรรมสการจ้ค่ะใกล้ๆหน่อยค่ะระหว่างแม่ที่คลอดลูกมาแล้วไม่ได้เลี้ยงและคนที่เลี้ยงคือไม่ใช่แม่บุคคลใดมีบุญคุณมากกว่าคันจ้าค่ะ ก็เท่ากันเน่ยเพราะว่าถ้าออกมาแล้วไม่เลี้ยงก็ตายถ้าไม่ได้เลี้ยงในท้องก็ออกมาไม่ได้ก็ต้องถือว่าเท่ากันอย่างแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีแม่สองคนแม่ที่แม่ที่เลี้ยงอยู่ในท้องพอคลอดออกมาเจ็ดวันก็เสียชีวิตแต่บุญคุณพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเท่ากันเวลาท่านบรรลุท่านก็ไปหาแม่ที่ตายแล้วที่สวรรค์ เราก็ไปสอนธรรมะให้แม่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าส่วนแม่ที่มีชีวิตอยู่ขอบวชท่านก็บวชให้แล้วก er ็ได้บรรลุเป like, ็นพระอริยเจ้าเหมือนกันเห็นท่านถือว่ามีบุญคุณเท่ากันเพราะว่าถ้าไม่มีก็ตายไม่มีแม่ที่อยู่ในท้องแล้วออกคลอดออกมาไม่ได้คลอดออกมาแล้วถ้าไม่มีแม่เลี้ยงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนนี้ก็ต้องถือว่ามีบุญคุณเท่ากัน แต่คนที่รับภาระหนักกว่าก็คือแม่ที่ต้องเลี้ยงเพาต้องเลี้ยงต้องหลายปีนะแต่แม่ที่เลี้ยงในท้องนี่เลี้ยงแค่เก้าเดือนนี่นนก็อาจจะหน้าในท้องอาจจะบุญน้อยกว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูเพราะแม่นอกท้องนี่เลี้ยงดูมากกว่าแต่ถ้าไม่มีแม่ตั้งท้องก็ออกก็คลอดออกมาไม่ได้ก็ต้องถือว่าเท่ากันนะค่ะขอบขอบทุกคุณเจ้าค่ะ เราเป็นลูกเราก็ควรที่จะเคารพแม่ทั้งสองคนแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงเราเพราะบางทีเขาไม่มีปัญญา<ม>ก็เลยมอบให้เศรษฐีไปเศรษฐีอยากมีลูกความปัตนาดีอยากให้ลูกเราอยู่สบายก็เลยยอมเสียสละทั้งทั้งที่บางทีไม่อยากจะเสียสละแต่ถ้าเราเลี้ยงเราเราเลี้ยงเขาไม่ดีพออาจจะไม่รอดก็ได้ก็เลยต้องยอมเสียสละ ถ้าเราเป็นลูกเราอย่าไปโกรธแมาที่ไม่เลี้ยงเราเพราะบางทีท่านมีเหตุมีผลที่ทาให้ท่านเลี้ยงเราไม่ได้เราต้องมีความสำเนึกในบุญคุณว่าอย่างน้อยท่านก็ให้ชีวิตเราให้เราได้เกิดให้เราได้มีร่างกายแต่ถ้าไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงเราได้ท่านก็เลยต้องสละให้คนที่เขามีปัญญาเลี้ยงต่อไปเยนทั้งคนที่เลี้ยงกับคนที่คลอดนี้ก็ถือว่าเป็นมาก เท่ากันมีบุญคุณเท่ากันที่เราคนที่จะมีความกระตันยูกัะตะเวทีเท่าเทกันอย่าไปเลือกที่รักมากที่ชังอย่าไปโกรธแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงเราพรบางทีเขาไม่มีปัญญาเขาําลังหากินเขาเลี้ยงตัวเขาเองอย่างเลี้ยงไม่รอดแล้วเขาจะเลี้ยงเราได้อย่างไรบางทีเขาก็เลยต้องให้คนอื่นช่วยเลี้ยงให้แทนนะอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่นะ ท่านจะเลวร้ายอย่างไรท่านก็ดีกับเราถึงแม้ท่านจะเป็นมหาจนท่านก็ยังเป็นพ่อแม่เราอยู่การกระทำบาปต่างๆของท่านนี้ไม่มาเปลี่ยนแปลงบุญคุณของท่านกับเราบุญคุณของท่านกับเรานี้มีอยู่ตลอดแล้วลบล้างไม่ได้ถึงแม้ท่านจะโหดร้ายทารุณกับเราอย่างไรบุญคุณที่ท่านให้กําเนิดเราก็ยังมีอยู่ลบล้างไม่ได้ ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันถ้าเรามาพบกับพ่อแม่ที่ใจโหดร้ายทารุณต่อย่างน้อยท่านก็ยังไม่ฆ่าเราตอนที่อยู่ในท้องไม่ไปทําแท้งนั้นก็ให้ํานึกในบุญคุณของท่านเสมออย่าไป อ, าอย่าไปกล่าวร้ายว่าร้ายท่านอย่าไปแด่ะคุณท่านถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็เฉยเฉยไปก็แล้วกัน อย่าไปประนามพ่อแม่อย่าไปด่าพ่อด่าแม่ท่านจะเลวร้ายขนาดนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา อ, อย่ากจะถามเลยกลาบนามส ก, การเจ้าค่ะหนุขออนุญาตกลับเตียนถามนะคะพอดีว่าพี่สาวอะคะ่ะซึ่งป ก, ปกติก็ชอบชอบฟังธรรมอันนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติทีนี้คือช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือว่าทานข้าวไม่ได้ ไปหาหมอก็ไม่พบโรคอะคะ่ะคือคือตรวจตรวจทุกอย่างแล้วแต่ทีนี้พี่สาวก็รู้สึกเครียดแล้วก็เขาบ่นแต่ว่าเขากลัวตายอะคะ่ะเหมือนกับแบบว่าเขาต้องตายแน่ๆเลยเพราะว่าเขาทานข้าวไม่ได้อย่างเงี้ย น, นะคะทีนี้หนูก็คือพูดปลอบไม่เป็ น, นะะแต่หนูก็บอกว่าจะกลัวทําไมดตหนูมีารู้สึกว่า มันมันจะโหดร้ายกันไปถ้าสําหรับคนที่กลัวตายเพราะว่าหนูก็ไม่ทราบว่าถาถาตัวหนูเองใกล้ตายหนูอาจจะกลัวแบบเขาก็ได้แต่ทีนี้ก็ไม่ทราบว่าจะพูดปลอบอยังไงแล้วก็คื อ, ค, อคือตรวจตรวจหาสมมุติฐานโรคก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นด้านจิตใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเฉยใช่ไหมยัยงไงทำยังไง เราอยากจะขยับก้อนหินมันใหญ่กว่าเราขยับมันไม่ได้เราจะทํายังไงใ ช, ใช่ไหมก็ต้องปล่อยมันอยู่ตรงนั้นไปก็ถ <national> ือเป็นกรรมของเขาไปพูดไปดีไม่ดีดอาจจะทําให้เขาแย่ลงก็อย่าไปพูดดีกว่าถ้าพูดแล้วทําให้เขามีกําลังใจก็พูดถ้าพูดแล้วทําให้เขาไม่มีกําลังใจหรือแย่ลงก็อย่าไปพูดดีกว่าค่ะขอถามอีกคําถามได้ไหมเจ้าคะ คืออย่างกรณีแบบอย่างท้าแบบอย่างวัดป่าคือแต่เดิมก็จะเป็นวัดป่าทีนี้เหมือนกับอย่างถ้าญาติโยมเริ่มศรัทธา ม, มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะก็ไปทําบุญมากขึ้นหรืออย่างเงี้ยค่ะก็พอเวลามีปัจจัยมากขึ้นก็เริ่มมีวัตถุอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเหมือนกับแบบว่ากลายเป็นว่าวัดความศรัทธากันด้วยวัตถุร้วมด้วยหรือบริจาคทานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือ มันก็เลยเหมือนการแบบก็ก็ก็จะกลายเป็นเป็นวัตป่าที่มีวัตถุมากอะไรอย่างเงี้ยจ้ะอ๋อมันอยู่ที่เจ้าวาดอยู่พระหัวหน้าะจะจัดการถ้าเป็นเจ้าวาดที่เขาไม่นิยมวัตถุเขาก็ปฏิเสธได้เมือนถ้าแต่เจ้าวาดนิยมก็ช่วยไม่ได้ อ, อยากจะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อยากจะสร้างอะไรให้มันใหญ่โตขึ้นมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ยังไม่ได้ปฏิบัต ถ้าภาพปฏิบัติจริงๆแล้วท่านจะคุมไม่ให้มีวัตถุนี่ยเราอยู่วันนี้มาสามสิบปีแล้วไม่มีอะไรน <c oughs> ใครยะมาให้ทําอะไรเราไม่ให้ทําดังนั้น <c oughs> อันนี้อยู่ที่ผู้ควบคุม <c oughs> ถ้าปล่อยมันก็มัน ก, มนก็มันก็ต้องมันก็จะเป็นไปเละเทะไปหมดถ้าควบคุมมันก็จะสามารถรักษาสภาพให้มันอยู่ตามที่เราต้องการได้ ยมงมีคนอยากจะมาขอสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเราบอกไม่คำเดียวเขาก็ถอยไปได้ไหมเพร่มันอยู่ที่หัวหน้าหัวหน้าถ้าหัวหน้ามีธรรมมันก็จะเป็นธรรมถ้าหัวหน้ามีกิเลสมันก็จะเป็นกิเลสขอบพระคุณจังค่ะมีใครอยากจะถามมีไหมไม่มีก็จะให้ เดี๋ยววันนี้รายงานผลก่อนวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง Facebook 402ย t u b บ131วิทยุ21รับฟังบนข่าว29รวม583ค่ะ อ, อวันนี้ไม่ถึง600เพราะฝนตก <c oughs> ก็เป็นปกติ500กว่า600กว่า <c oughs> ทุกวัน เ, เดี๋ยวนี้มีติดตามอยู่40กว่าประเทศนะต่างประเทศ แต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้ติดตามพร้อมกันต่างจังหวัดก็60กว่าจังหวัดเคยสํารวจ ด, ดูเคยถามผู้ที่ติดตามให้เขาช่วยส่งมาว่าเขามาจากาจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยววันหลังลองบอกจังหวัดที่ยังไม่มีในรายชื่อดูเผื่อใครอยู่ในจังหวัดนั้นจะได้แจ้งเข้ามาเดี๋ยวไม่กี่จังหวัดสิบกว่าจังหวัดเท่านั้นใช่ไหมอ า, อาจจะไม่รู้ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้รายงานตัวก็ได้ ถ้าอย่างนั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ติดตามทางบ้างส่งข้อความเข้ามาถามปัญหาต่อมีเข้ามาแล้วยังมีแล้วเจ้าค่ ะ, ะเชิญถามได้เลยคําคถามจากทาง Facebook จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราทําผิดกับคนคนหนึ่งหลายต่อหลายรอบที่เธอบอกให้อภัยและโหสิกรรมให้ขอย้ําว่าทําผิดหลายรอบแต่เธอไม่เหมือนเดิมไม่พูดคุยมันใช่การโหสิกรรมและมันคือการให้อภัยจริงไหมคะ ถ้าจะเบื่อก็ได้มั้งก็เลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือชักสะพานจะไม่ยุ่งด้วยการที่เราเอาโหสิให้ใครนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อภัยเขาแล้วเขาก็ยังทําซ้ำซากอยู่ถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปยุ่งกับคนนี้ดีกว่ามีแต่เสียหายจะไปว่าเขาไม่มีไม่มีไม่มีเมตตาหรือไม่ไม่ให้อภัยหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวอ ทุูคนที่ดูที่ตัวเรามากกว่าตัวเราไปทำผิดซ้ำซากให้กับเขาจนที่เขาเบื่อหน่ายขึ้นมามากกว่าน่าจะเป็นความเบื่อหน่ายมากกว่าแลนะเห็นว่าคบกับเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรช่วยอย่าพูดอย่าอะไรดีกว่าวก็เฉยๆไปอุบเบกขาไปไม่เสียหายเขาทำถูกแล้วให้คนที่ทำผิดซ้ำซากนี่ทำไม่ควรครจะปรับปรุงแค่แค่ขตัวเอง คำถามจากคุณพี่ทิพย์การส่งเคราะห์สัตว์แมวจากผู้ที่นำมาทิ้งและนำมาเลี้ยงสี่สิบกว่าตัวและคุณยายเกิดป่วยปเป็นโรคมะเร็งและอีกห้าหกโรคช่วงที่รักษาอยู่แมวได้ตายไปสิบตัวไม่ทราบว่าแมวตายแทนคุณยายหรือไม่ครับ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรื่องตายนี่มันแน่นอนตายด้วยกันทุกคนนะหลักที่ว่ามันคงไม่ตายแทนคุณยายหรอกไม่มีใครอยากจะตายแทนใครหรอกนะดันั้นเป็นกันเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าที่พอดีคุณยายจะตายไอ้มวมันก็ตายไปด้วยงั้นเราคิดว่าไม่ใช่หรอกนะเพราะโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีใครอยากจะตายแทนใครหรอกมีใครอยากจะตายแทนเราไหมถ้าเราจะใกล้ตายแล้วมีคนมาสาสมัครหลวงพ่ออยู่ต่อผมจะตายแทนให้ ไม่มีหล้วนะงั้นเขาคิดว่าของไม่ใช่หล้วคำถามจากทางไลน์ค่ะจากคุณโอโหสิผู้ที่จะบรรลุถึงขั้นสูงสุดจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องบวชในนิกายธรรมยุทธ์ครับอ่าไม่จําเป็นอ่ะไม่ต้องบวชก็ได้ผู้ที่จะบรรลุธรรมนี่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาให้ครบร้อยเท่านั้นเองแต่การจะมีได้มันต้องบวชมันถึงจะมีได้ง่าย และเป็นผู้ครองเรือนี่มันเป็นได้ยากเวลาที่จะมาสร้างศีล ส, สมาธิปัญญามันมีน้อยแล้วถ้าจะบวชก็ตั่งบวชกับพระที่มีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยเพราะเขาจะได้สอนเราบังคับเราให้มีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยได้ฉะนั้นถ้าจะบวชถ้าอยากจะหลุดพ้นก็ไปหาพระอ ร, รหันต์หาพระพุทธเจ้า บ, บวชกับท่านอยู่กับท่าน่ แล้วรับรองได้เป็นแน่แดูพระลาหุนเลยพระราหุนนี่อายุหกขวบเป็นลูกพระพุทธเจ้าแม่บอกให้ไปขอมารอดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามารดกของเราก็คือพระนิพพานก็เลยจับบวชตั้งแต่อายุหกขวบแล้วอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระสารีบุตรเป็นอาจารย์คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนไม่กี่ปีก็บรรลุเป็นพระลาหันได้คําถามจากคุณสุภัตรา ลูกทำงานเสร็จตามที่ได้รับงานมาค่ะ แต่ผู้จ้างเขาไม่พูดเรื่องเงินที่เหลือที่ต้องจ่ายคือประมาณแสนกว่าเขาแค่ส่งข้อความมาว่าขอพระคุณมากครับสามีของลูกเขาบอกให้ทวงแต่ลูกไม่อยากทวงค่ะเพราะถ้าทวงเรา ก, ก็จะเกิดความกังวลใจต่างๆลูกอยากรักษาใจให้สงบมากกว่าค่ะลูกคิดว่าถ้าเขาโกงเขาก็ผิดศีลมันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าและถ้าเขาไม่ให้ลูกก็ถือว่าทาบุญไปค่ะลูกคิดว่าการรักษาใจให้สงบสาคัญมากกว่าได้เงินคืนมา ลูกคิดแบบนี้ถูกไหมคะและลูกจะได้บุญไหมคะได้ถูกต้องแล้วหล่ะใจเราสงบความสงบนี้ก็คือบุญแต่เราก็สามารถที่ทวงก็ได้ทวงแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเอราะบางทีเราไม่ทวงก็อาจจะคิดว่าเราไม่ต้องการแต่ถ้าเราทวงแล้วเาขาให้หรือไม่ให้เราไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเราก็รักษาใจสงบคือทวงได้แต่อย่าไปหวังว่าจะได้ ถ้าไปหว it it it ังว <set> se <as> <but> ่าจะได้แล้วพอไม่ได้มันจะไม่สงบมันจะวุ่นวายใจได้แต่ถ้าไม่ทวงเขาก็อาจจะคิดว่าเรายกให้เขาไปดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะได้เราอยากจะยกให้เขาไปก็ไม่ต้องทวงแต่ถ้าเรายังอยากจะได้เราคิดว่าเราควรจะได้เพราะมันเป็นเรื่องของการค้าขายเราก็ทวงเขาได้บอกเขาได้แต่ใจของเราก็อย่าไปอยากได้ก็แล้วกันได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเราก็ยังสามารถลากใจของเราให้สงบได้ ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเรียนถามพระอาจารย์การที่หนูมีลูกและลูกลูกหนูต้องได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ในเวลาที่หนูทำงานหรือติดงาน และช่วงที่ลูกหนูอยู่กับหนูหนูพามาฟังธรรมพระอาจารย์หรือให้อ่านคําสอนของพระอาจารย์แต่แม่หนูไม่ค่อยรับธรรมะที่หนูฟังจากพระอาจารย์เพราะยังมีความอยากเที่ยวอยู่และไหว้สิ่งผิดผีดที่ห่างจากธรรมะหนูจําเป็นต้องสอนลูกว่ายายทําผิดสอนผิดลูกอยากไปเชื่อในการกระทําแบบนี้ของการสอนลูกคือชี้ให้เห็นความไม่ถูกต้องของยายหนูจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้ามันเป็นความจริงไง ถ้าเราพูดตามความเป็นจริงแต่มันอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนี่ก็ต้องพิจารณาดูเพราะหนึ่งเด็กก็ยังเล็กอยู่แล้วเด็กยังต้องพึ่งคุณยายอยู่ถ้าไปสอนให้ไม่เชื่อคุณยายแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาได้เพราะบางสิ่งบางอย่างคุณยายสอนก็อาจจะดีอยู่เด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ก็อย่าไปพึ่งไปสอนอย่าพึ่งไปบอกเราก็สอนแต่สิ่งที่ถูกที่ต้องให้เขาได้ ในในรับรู้แล้วเขาก็จะมีปัญญาที่จะแยกย่าได้ต่อไปว่าทําไมแม่สอนอย่างหนึ่งยายถสอนอย่างหนึ่งอย่างนี้จะดีกว่าอย่าไปบอกว่ายายผิดยายอะไรเดี๋ยวเด็กจะสับสนถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายร้ายแรงถ้ายายสอนให้ไปขโมยอย่างเงี้ยต้องบอกคาผิดละถ้าผิดสีนี้ต้องสอนให้ขโมยสอนให้ฆ่าสัตว์ฆ่ามดฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ย อย่างนี้ต้องบอกว่าไม่ควรทําแต่อย่าไปบอกว่ายายสอนผิดอย่าไปตําหนิยายพูดง่ายๆเราเพียงแต่สอนความจริงให้เขาฟังอย่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามถ้าเห็นลูกฆ่ามดฆ่าแมลงก็บอกลูกอย่าฆ่านะมันบาปเพาราะแมลงเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็ลักตัวกัวตายเหมือนเราต่อไปถ้าเราทําเขาเขาเราจะต้องไปถูกเขาทํากลับเวลาเราตายไปก็บอกเขาสอนเข้าไปตามความรู้ของเราไป ส่วนคุณยายจะสอนไงก็ต้องปล่อยกาสอนไปเดี๋ยวมันจะขัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวยายกับแม่ก็จะมาทะเลาะ ก, กันอีกอนั่นก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ต่อกันด้วยพูดอะไรทำอะไรแล้วถ้าเกิดผลกระทบความเสียหายตามมาก็อย่าพูดดีกว่าคำถามจากคุณชนะตน โยมสังเกตว่าทำทานศีลภาวนาประจําใจจะอิ่มคิดเมื่อไหร่ก็อิ่มใจใจมีที่พึ่งถ้าเราตายไปอาการที่ใจอิ่มใจมีที่พึ่งน่าจะเหมือนกันไหมคะเพียงแต่เราไม่มีร่างกายใช่ก็อย่างนั้นอ่ะใจก็จะเป็นพรมไปถ้าใจอิ่มใจสงบใจเย็นใจสบาย คำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจากคุณปราณีเวลาเราทำบุญแล้วใส่ชื่อพ่อแม่ญาติไปด้วยเขาจะได้บุญกับเราหรือเปล่าคะไม่ได้แล้วบุญเกิดจากของที่เราเสียสละถ้าเขาร่วมเสียสละของโดยเขาก็ได้ใส่ชื่อไม่ใส่ชื่อไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเขาได้เสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเขาหรือเปล่า ถ้าเขาเสียสละถึงแม้เขาจะไม่ได้มาทำด้วยเราทำเอาเงินของเขาที่เขาฝากมาทำให้เขาเนี่เขาก็ได้แต่เราทำแล้วเราบอกเราทำเผื่อเขาเนี่เขาไม่ได้คาถามจากทาง yu o youtube จากคุณบ b บีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติทำทุกสิ่งอนัตตาปรงอย่างไรให้อนาตตาทำทุกสิ่งคลายตัวลงให้ไม่ยึดติดเอาครับก็ต้องเข้าใจว่าอนัตตาเป็นอย่างไรไงอนัตตาก็คือธรรมชาติไง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเราสิ่งของต่างๆที่เรามาอยู่นี้มันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแต่เรามาองไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเราคิดว่ามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับได้แต่ความจริงเราควบคุมบังคับได้เพียงบางเวลาแต่ไม่ได้ตลอดเวลาถึงเวลามันจะพังมันก็พังของต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยตอนนี้เราควบคุมใช้มันได้สั่งให้มันทําอะไรก็ทําได้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็บอกว่า บายบายกดแล้วมันก็ไม่ติดเแสดงว่านี่เป็นธรรมชาติแล้วเหมือนไปสั่งให้ฝนไม่ให้ตกนี่ไม่ได้เวลาฝนตกสั่งให้มันหยุดไม่ได้เวลาฝนไม่ตกไปสั่งให้มันตกไม่ได้ใดทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะสั่งมันไม่ได้ร่างกายของเราก็สั่งไม่ได้ตอนนี้สั่งได้สั่งให้มันเดินไปไหนมาไหนทําอะไรได้เดี๋ยววันหนึ่งมันไม่สบายมันขอนอนอย่างเดียวอ สั่งให้มันไปนู่นมานี่มันไม่ไปซะละหรือบางทีมันเป็นอามาัมพฤกษ์กรรมภาพยกแขนยกขาไม่ได้เนี่ยสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติให้มองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของใครคําถามจากคุณจงแจง ฟังธรรมและปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนมาเรื่อยๆรู้สึกว่าไม่อยากได้อะไรเหมือนเมื่อก่อนเวลาคิดเรื่องความตายไม่เกวง้งรู้สึกว่าการจะอยู่หรือจะตายไม่แตกต่างกันต้องทําอย่างไรต่อคะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆพย า, าพยามพยายามทําให้มากขึ้นพยายามปล่อยวางให้มากขึ้นสิ่งใดที่เรายังปล่อยไม่ได้ก็ปล่อยสิ่งใดที่เรายังอยากอ ย, กอยู่ก็ตัดมันไป เอาอย่างเดียวเอาความสงบอย่างเดียวพอเอาเวลามันฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้ายังอยากอะไรอยู่ก็ต้องตัดต่อไปยังห่วงอะไรก็ต้องตัดยังห่วงอะไรก็ต้องตัดเพราะของทุกอย่างมันทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปห่วงไปห่วงไปอยากถ้าเราไม่ห่วงไม่ห่วงไม่อยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไร คำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะจากคุณจิรภาค้าขายอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เช่นหมูกระทะจะบาปตกนรกไหมเจ้าคะต้องทำบุญอย่างไรเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นไม่มีเวรมีกรรมกับเราอาจจะแบ่งยอดขายส0เอร์เซไปทำบุญแบบนี้จะทดแทนไถ่บาปได้ไหมเจ้าคะค้าขายเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่บาปหรอกถ้าเราไม่เป็นคนสั่งให้เขาฆ่าให้เราหรือฆ่าเองเช่นเราถ้าเราไปสั่งที่ ที่ร้านขายหมูว่าพรุ่งนี้ขอหมูสิบกิโลอย่างเงี้ยนี่เราไปสั่งเขาแล้วเขาไม่มีหมูเขาก็ต้องไปสั่งให้ที่โรงฆ่าสัสั่งฆ่าหมูมาเพิ่มให้เขาสิบกิโลถ้าสั่งเขาให้อาหมูมาให้เราถึงแม้เราไม่ได้ทำเองก็บาปหรือเราเลี้ยงหมูเองแล้วฆ่าเองก็บาปแต่ถ้าเราไปซื้อที่ตลาดโดยที่ไม่ได้ไปสั่งเขาไว้ล่วงหน้าก่อนไปที่ตลาดไปเห็นมีหมูล้วก็ซื้อมาแล้วมาขา ย, ยาไม่บาป พอมันเป็นของที่ตายแล้วไม่มีส่วนเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก, กับการทำให้เขาตายก็ไม่บาปถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเราไปสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีถึงจะบาปคำถามจากคุณวรารพรผู้จะบรรลุโสดาบันได้ต้องได้วิปัสสนาญาณ16ด้วยหรือไม่ไม่รู้แหละค่อยๆรู้ว่าให้ละความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ก็แล้วกัน คือไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ปล่อยปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ใจไม่ไม่กังวลไม่ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็บรรลุได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทางไลน์ค่ะ ทำไมเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพแทนที่เราจะมีแต่ความรู้สึกโศกเศร้าแต่กลับชื่นชมยินดีในการตายของท่านเพราะการตายของท่านสง่างามมากแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะตายอย่างท่านพระอาจารย์ทั้งหลายทําไมผมถึงมีความคิดอย่างนั้นครับ ก็เพราะว่าเราเห็นว่าการตายของท่านมันมันไม่ได้เป็นการตายของท่านมันเป็นการตายของร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวท่านร่างกายของท่านมันก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ท่านใช้ขับไปขับมาพอรถยนต์ท่านเสียท่านก็เปลี่ยนรถมรือท่านก็ไม่ต้องไม่ใช้รถก็ไม่ต้องไปมีรถใหม่แค่นั้นเองเราก็เลยเห็นว่าการตายของท่านนี้เป็นการตายที่สง่างาม ส่วนการตายของพวกเรานี้พวกเรายัางเป็นพวกที่ยังหลงคิดว่าร่างกายเป็นเราอยู่พอร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตายกันเราก็เลยวุ่นวายกันทุกข์กันคําถามจากทาง facebook ค่ะจากคุณพิมพรขออนุญาตสรุปนะคะถ้าเราแผ่เมตตาตอนกรวดน้ำให้กับคนที่เขาไม่ถูกกับเราไม่ชอบเราเพราะคน เพราะเขาเป็นคนที่ชอบอิจฉาและไม่ชอบที่จะไปวัดทำบุญกับเรียนถามค่ะเพราะอาจารย์บอกอยู่เสมอว่าการกรวดน้ำให้เขาแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยไม่ได้รองต้องเอาเงินไปให้หรือเอาสินของไปให้เขากินแต่เขาเกลียดเราไม่ชอบเราเขาคงไม่รับของของเราค่ะเราควรจะวางใจหรือทำใจอย่างไรคะก็ลองทาดูก่อนสิเราจะไปรูเขาจะไม่รับลองเอารถเบนซ์ไปให้เขาดูเล <laughs> ไปจอดไปแล้วก็เขียนป้ายไว้ถ้าไม่อยากจะพบเราล้วก็เขียนกระดาษไว้ไว่านะีขอมอบรถคันนี้ให้กับคุณทะเบียนอยู่ในชื่อของคุณแล้ว <c oughs> ดูซิว่าเขาจะเอาคืนหรือเปล่า <c oughs> มันไม่ลองทำแนละ้วเราไม่อยากจะทำนะอยากจะทาแบบง่ายๆอยู่คนเดียวแล้วก็กวดน้าให้เขาอย่างี้มันไม่ได้หรอกมันไม่ได้ทำอะไรให้เขาต้องทำให้แบบที่เขาปฏิเสธไม่ได้สิ เราถ้าให้เขา10 บ, บาท20 บ, บาทเขาก็ไม่เอาล่ะแต่เราให้เขาสักแสนยังดูเหนดูใช่เขาจะปฏิเสธหรือเปล่าคำถามจากคุณสมเกียรติค่ะการที่เราบริจาคโลหิตเป็นประจำจะเป็นเงินทิปด้วยไหมครับเป็นการบริจาค ก, ก็เป็นเลือดก็เป็นทรัพย์สมบัติของเราส่วนหนึ่งการบริจาคอาวัยวะต่างๆในขณะที่เรายังไม่ตายก็เป็นบุญเป็นการให้ทานเหมือนกัน เช่นเราบริจาค ต, ตาไปข้างหนึ่งตาไปข้างหนึ่งปอดไปข้างหนึ่งให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเราเห็นผลเพราะเราเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราเราก็เกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละคือบุญแต่ถ้าเราให้ตอนที่เราตายไปแล้วเราจะไม่เราจะไม่ได้บุญเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราได้บริจาคจริงหรือเปล่าเราเอาร่างกายของเราไปใช้เป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าเราไม่ดูไม่เห็น ตอนนั้นเราจะไม่ได้บุญบริจาคเลือดก็เหมือนกับบริจาคเอาไว้วะเพราะเลือด ก, ก็เป็นหนึ่งในาการสามสิบสองถามข้อที่สองค่ะปกติผมจะนั่งสมาธิและสวดมนต์ทุกวันจะมีแมวที่บ้านหนึ่งตัวชอบมานอนฟังกระผมสวดมนต์ทุกวันเจ้าแมวตัวนี้จะได้อานิสงค์จากการฟังผมสวดมนต์ไหมครับ ถ้ามันนั่งเฉยๆใจมันสงบก็ได้เหมือนเราฟังพระสวดวเ้นใจเราสงบใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้แมวมันอาจจะมี อ, อนิ ส, สัยเดิมอยู่เคยเคยอยู่วัดเคยเป็นพระมาก่อนก็ได้เคยเป็นโยมมาก่อนเคยเข้าวัดพอเห็นใครสวดก็ก็สนใจติดใจมานั่งฟังตัวเองอาจจะสวดไปในภายในใจก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถสวดออกมาทางวาจาได้ แตชาติก่อนมันถ้ามันเคยสวดได้แนะพอมันได้ยินเสียงสวดมน์มันก็จะมันก็จะกระตุ้นความจําของที่มันมีอยู่มันก็จะมานั่งฟังเราสวดมันอาจจะสวดไปพร้อมๆกับเราด้วยก็ได้โดยที่เราไม่รู้ว่ามันสวดเยอะคําถามสกุลจินดาพระสามารถรับเงินที่คนมาถวายเป็นเงินส่วนตัวได้ไหมครับหรือเอามาอาศัยความศรัทธาของชาวบ้านเพื่อสร้างฐานะของตนนี่ถือเป็นความเสื่อมไหมครับ การถวายปัจจัยนี้ญาติโยมก็ถวายได้หลายตามเจตนาวมบางท่านก็ถวายให้สร้างกุฏิสร้างโบสถ์บางท่านก็ถวายให้ใช้เป็นส่วนตัว응แล้วแต่ถ้าถวายให้เป็นส่วนตัวท่านก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวได้ถ้าให้เอาไปสร้างโบสถ์ก็ต้องเอาไปสร้างโบสถ์ให้ไปทำพิมพ์หนังสือก็ต้องเอาไปพิมพ์หนังสืออันนี้แล้วแต่เจตนาของผู้ให้ ผู้รับก็ทําตามเจตนาถ้าทําไม่ได้ก็บอกเขาไปว่าทําไม่ได้ก็คืนเงินเข้าไปอย่างวันก่อนมีคนจะมาถวายเงินให้มาพิมพ์หนังสือเล่มใหม่แต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาถวายได้เพียงครึ่งเดียวเราบอกว่าถ้าเรารับตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะเราเอาไปพิมพ์ไม่ได้เพราะมันไม่พอเอเขาก็เลยเราบอกคืนเงินเข้าไปเขาก็เลย ก็ขอร้องบอกว่าให้เราช่วยได้ไหมเราก็พอดีนึกได้ว่าอพอดีมีคนถวายเงินไว้พิมพ์หนังสือมีอยู่ก็เลยถามคนที่เ็าเก็บเงินว่ามีพอไหมก็บอกมีพ อ, อมีพอก็เลยเอาเงินของเขากับของเรามารวบกันแล้วก็ไปพิมพ์หนังสือเล่มใหม่มา อ, อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไม่พอแล้วมาให้เราเก็บไว้เฉยๆเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเก็บไว้เดี๋ยวเกิดหายเราก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมกับเราอีกอ ในบางทีถ้าเราเห็นว่ามันรับไม่ได้เป็นภาระดเราก็คืนเข้าไปหรือบางแห่งบางที่อย่างหลวงตานี่บางคนสมัยก่อนที่เราอยู่กับท่านบางทีมีคนอยากจะสร้างกุฏิก็ส่งเงินมาให้ท่านแล้วบอกขอสร้างกุฏิในวัดท่านบอกกุฏิท่านพอแล้วท่านก็ส่งเงินคืนไปอันนี้ก็สามารถปฏิเสธได้ถ้าเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่เป็นเพราะความรังเกียจเพราะว่าน้อยเกินไปไม่เอาอันนี้ไม่ใช่ แต่ถ้าเขาบังคับมาว่าจะต้องเอาเงินนี้ไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่สามารถทำให้กับเขาได้เราก็สามารถคืนเข้าไปได้หรือไม่รับปฏิเสธได้คําำถามจากทางยูทู e ค่ะการไปเป็นเจ้าภาพให้คนบวชเดนบวชพระได้บุญแตกต่างกับ ก, บการทำบุญอื่นๆเช่นกระถิ่นผ้าป่าไหมคะ ไม่ต่างหรอกเพราะว่ามันก็เป็นการเสียสละเงินทองเหมือนกันเอแต่คนรับเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันถ้าเราบริจาคเงินไปให้โรงเรียนเขาก็อาไปให้เรียนให้เด็กได้เรียนหนังสือถ้าเราบริจาคเงินไปให้ได้บวชพระบวชเนยก็จะมีพระเนยมาบวชกันมาศึกษามาปฏิบัติกันเพราะฉนั้นฝ่ายผู้ให้นี่เหมือนกันไม่ว่าจะให้ใครฝ่ายผู้รับนี่ไม่เหมือนกันเพราะผู้รับนี่จะไปทําประโยชน์ต่างกันเอ คำถามจากคุณวัดหนึ่งหนึ่งคนทั้งหมู่บ้านจะไปเลี้ยงสารปู่เจ้าประจําหมู่บ้านเลี้ยงเล้าเลี้ยงไก่แต่ผมครรพพระรตนาตยหเลยไม่ไปร่วมกับเขาผมทําถูกต้องหรือไม่ครับจากร้อยเอ็ดค่ะก็ถูกต้องเนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ทําบาป ไม่ทำาทาอะไรที่งมงายไม่มีเหตุไม่มีผลไปดื่มเหล้าเมายาก็บาปไปไหว้ผีไหว้เจ้าก็งมงายนั้นก็ถูกต้องแต่เราอาจจะไม่ถูกใจคนในบ้านก็ได้เราอาจจะต้องเป็นแกะดำต่อไปก็ได้แร่อนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับกับผลของการกระทาของเราหรือไม่ คำถามจากทางเฟซบุ๊กจากคุณสุกายสบายใจเคยฟังธรรมมาว่าพระอรหันต์มีสองแบบแบบยังมีอารมณ์เหลืออยู่กับแบบที่ไม่มีอารมณ์เหลือเป็นอย่างไรครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเ <laughs> <laughs> พิ่ได้ยินวันนี้มีสองแบบด้วย <laughs> พระพุทธเจ้ามีสองแบบแต่พระอรหัน์นี้ไม่เคยได้ยินว่ามีสองแบบพระพุทธเจ้าสองแบบคือพระอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้ากับพระปเจ ก, กับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าที่เป็นพระนั้นตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระที่สั่งสอนผู้อื่นเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาแต่พระปเจ ก, กับพุทธเจ้านี่จะไม่สอนใครรู้แล้วก็หุบปากไว้งเงียบอาจจะเป็นเพราะไม่มีคนอยากจะฟังก็ได้ท่านเลยไม่ได้สอนก็เลยเป็นพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าของเราตอนต้นก็ไม่อยากจะสอน พอเห็นว่าเหนื่อยสอนแล้วสอนพวกคนที่มีกิเลสสอนยากเลยไม่อยากจะสอนแต่ตอนหลังก็มาวิเคราะห์แยกแยะคนดูก็เห็นว่าคนกิเลสมากก็มีคนกิเลสน้อยก็มีก็เลยเลือกสอนเลือกสอนพวกที่มีกิเลสน้อยอันนี้ก็คือมีพระพุทธเจ้าสองอย่างแต่พระอรหันต์นี้มีอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะพระอรห์นี้ท่านหลุดพ้นจากกิเลสโดยโดยอย่างสิ้นเชิง คือไม่มีกิเลตโลภ ก, กฎหลงไม่มีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ในใจแล้วคำ ถ, ถามจากคุณพี่ทิพย์ค่ะการที่เรานำหมาและแมวมาเลี้ยงจนกว่าจะหมดอายุขายจิตจะได้เป็นพรหมไหมครับไม่ได้หรอกก็ได้แค่ทานเ่นั้นเองเป็นเทวดาได้เป็นพรหมนี้จะต้องฝึกจิตทำจิตให้สงบเป็นฌานเป็นสมาธิขึ้นมาถึงจะเป็นพรหมได้ คำถามจากคุณพีโกพ่อแม่นําลูกไปให้ตาใหญ่เลี้ยงเพราะเห็นว่าว่างพ่อแม่สร้างบาปหรือไม่ไม่บาปหรอกเพียงแต่พ่อแม่อาจจะไหวปา ล, ล, ละเลยหน้าที่ของตนไปรบกวนตาใหญ่ที่ท่านควรจะอยู่อย่างสุขสบายก็ไปหาภาระไปให้ท่านทำอันนี้ไม่บาปแต่ก็ไม่ควร ถ้าเราเป็นคนก่อเข้ามาสร้างเข้ามาเราก็ต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูเข้าไปนอกจากว่ามีเหตุสุดวิสัยที่เราไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้เพราะเราต้องไปทำมาหากินแต่เราก็ฝากพ่อปู่ย่าตายายไว้แต่ก็ส่งเงินทองไปไม่ไปรบกวนปู่ย่าตายายมากจนเกินไปก็ก็ทำได้ คำถามจากคุณสมาธิปัญญาทำบุญอย่างไรเพื่อให้บุคคลที่ล่วงลบไปแล้วจะสามารถรับบุญกับเราได้คะก็บริจาคเงินทองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไงถวายสังฆทานใส่บาตรบริจาคทำผ้ปาป่าทำอะไรต่างๆทํากับวัดก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับโร ง, งเรียนก็ได้พิมพ์หนังสือทำมา้าแจกก็ได้อะไรก็ได้ที่เราบริจาคเงินทองของเราไป แล้วพอเราทําแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับเราไปได้เพราะบุญนี้ก็คือเงินทิปไงอย่างที่เราได้เทศไว้ตอนตอน้นนี่เราทําบุญกันเพราะเราเปลี่ยนเงินเงินบาทเงินที่เราใช้ในโลกนี้เงินมาเป็นเงินทิปกันแล้วส่วนหนึ่งเราก็แบ่งให้คนที่อยู่ในโลกทิพย์ใช้ได้ทันทีอีกส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้สําหรับเวลาเราไปอยู่ในโลกทิพย์เราก็จะได้มีเงินส่วนนี้ใช้ด้วย คำถามจากคุณปราณีค่ะเวลาไปรักษาศีลที่วัดฉันเข้ามือเดียวเห็นเข้าเอาอาหารใส่ถุงไปเยอะคนที่ต่อคิวด้านหลังอาหารเหลือน้อยในใจคิดว่าฉันมือเดียวทําไมเอาไปเยอะอย่างนี้จะบาปไหมคะตามันเห็นกระทบแสดงว่าจิตมันส่งออกนอกใช่ไหมเจ้าคะใช่มันไม่บาปแบบเป็นยาเพียงแต่เป็นความคิดที่ทําให้เราไม่สบายใจแต่ถ้าเราคิดว่า กำใครกำมันกิเลสใครกิเลสมันเอใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นใครโลภ ก, ก็ได้ความโลภไปใครไม่โลภ ก, ก็ได้ความไม่โลภไปอห้ามเขาไม่ได้จิตใจของแต่ละคนเราอยากไปโลภอยากได้อาหารที่ก็ไปก็แล้วกันเราก็ยินดีตามมีตามเกิดของเราถึงคิวเราแล้วก็หยิบเท่าที่เราจําเป็นจะต้องกินส่วนพวกที่เขายังมีความโลภอยู่เขาก็สู้กิเลสเขาไม่ได้เขาก็เลยเอาไปเผื่อเผื่อคนนู้นเผื่อคนนี้หรือ ทำเพื่อเขาอยากได้มากมาก็ห้ามก็ไม่ได้อย่าไปคิดร้ายกับเขาดีกว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดแห้ดีคิดว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมไปคิดเป็นเรื่องของกรรมของเขาเป็นกิเลส ข, ของเขาที่เขายังสู้กิเลสเขาไม่ได้อยู่คำถามนะจากคุณอรุณีค่ะคนที่จากเราแล้วเราทำบุญให้เขาแล้วขอจะได้รับหรือเปล่าเจ้าคะก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ว่าเขาขาดบุญไหม ท่านก็มีบุญมากเขาก็ไม่มารอมารอรับบุญเขาก็ไปใช้บุญของเขาได้เลยแต่ถ้าเขาขาดบุญเขาก็อาจจะมารอรับจากเราก็ได้มีแล้วเหรอมี อ, อา่อาอีกสักสองข้อก็ได้ค่ะคำถามจากคุณวิทณ์สังฝากเงินให้ผู้อื่นใส่บาตรตอนเช้าจะได้บุญไหมครับได้ได้เงินถ้าเป็นเงินของเรานะ อ, าอีกคำถามหนึ่งคะ่ะจากท่านเดียวกันคุณวิษย์สัง เวลาเพื่อนไปทำบุญแล้วโทรไปบอกว่าฝากทำบุญให้ด้วยสองร้อยบาทเมื่อเจอกันแล้วค่อยให้เงินเพื่อนทีหลังแบบนี้จะได้บุญไหมครับก็ให้ได้ตอนที่เราให้เงินเขาตอนนั้นยังไม่ได้บุญเพราะเป็นเพียงแต่เจตนาบอกเขาไปก่อนถ้าเราไม่ให้เขาคนที่เขาให้เงินของคนที่เขาทำให้เราเขาก็จะได้เงินส่วนนั้นไปด้วยเพราะเรายังไม่ได้จ่ายเขาพอเราจ่ายเขาเมื่อไหร่เราก็จะได้บุญตอนนั้นทันที หาก็ได้ยังมีอีกสักนาทีสองนาทีค่ะครับคําถามจากคุณอมริพนพรมีพระที่บ้านบวชเพื่อลาบส ก, การะส่งลูกเรียนและผ่อนส่งรถยนต์ให้ลูกบางท่านก็เอาเงินไปจ่ายดอกเบีย้ยให้ชาวบ้านเราควรวางใจอย่างไรและปฏิบัติต่อท่านอย่างไรเจ้าคะก็เป็นกรรมของท่านไงแตนะ่ท่านหลงทางท่านไม่รู้ว่าการบวชที่แท้จริงนี่บวชเพื่อให้ตัดกิเลส ให้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ท่านก็มาบวชเพื่อเลี้ยงกิเลสทําความโลภต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านก็แล้วแล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นเป็นถ้าถ้าไม่มีเจตนาที่จะมาหาเงินหาทองเพียงแต่ว่าเมื่อบวชไปแล้วมีคนศรัทธาอยากจะทายเงินทองกับท่านเงินทองนั่นท่านจะไปใช้อะไรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียหาย จะไปทําบุญก็ได้ก็ทําบุญทั้งนั้นแนหะเว้นให้คนอื่นนี่เป็นการทําบุญทั้งนั้นนะเอาไปเลี้ยงหมา ก, ก็ทําบุญเอาไปส่งเด็กเรียนหนังสือก็ทําบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเองส่วนใหญ่งานที่พระมันได้มาเป้าหมายแรกควรจะทําเพื่อศาสนาก่อนถ้าศาสนายังขาดแขนอะไรปัจจัยสี่ก็ควรจะสนับสนุนทาง ของศาสนาก่อนแต่ถ้าศาสนามีเกินพอแล้วก็<ม>ยิ่งจะไปสงฆ์ข้อโลกต่อก็ไม่เป็นไรทําได้แต่ต้องรู้จักขั้นตอนว่าคท่านอย่างไหนคนมาก่อนมาหลังเกณน์ภาคก็ต้องดูแลศาสนาาก่อนเมื่อศาสนาพร้อมแล้วเต็มที่แล้วไม่ขาดตกบกพร่องแล้วจะไปช่วยทางโลกต่อก็ได้อย่างหลวงตาท่านก็ช่วยทางโลกวัดของท่านพร้อมแล้วมีทุกอย่างแล้ว ท่านก็ไปช่วยทางโลกไปสร้างโรงพยาบาลไปซื้ออุปกรณ์ด้านการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้ก็ทำได้ไม่เสียหายนะแต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะมาหาเงินมาทำเหล่านี้อันนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคนเกิดศรัทธาอยากจะร่วมบุญกับท่านแต่ถ้ามาบวชเพื่อที่จะมาหาเงินโดยตรงนี้ผิดละนะ ทั้งใจอยามาหาเงินอย่างเดียวไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติมาเรียนแต่สวดกุศลาอกุศลาธรรมมาอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ก็เป็นการบวชที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นการบวชเพื่อเลี้ยงกิเลสเพื่อต่อภบต่อชาติไม่ได้เป็นการตัดภบตัดชาติให้หมดไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา